เนี่ยนะเช่นว่าในในขันหหนึ่งขันเนี่ยกุศลเกิดขึ้นอมมษฐานนะมหากุศลดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยอัญญสมนาเจตสิก13โสภณะสาธารณะเจตสิก19เนี่ยนะถ้ามีอัปปมัญญาอีกอัปปมัญญาเท่าไรอัปปมัญญาสองววรตีอีก สามแลวก็ปัญญาอีกหนึ่งเนี่ยนะเวรตีอปปามัญญานี่อยู่ที่การประรบใช่ไหมพวกพวก ห, ห้าข้อนะอปปะมัญญากับเวรตีเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้งห้าเลยะนะจะเกิดทีละอย่างทีละอย่างเช่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะเนี่ยนะแล้วก็กรุณามุทิตาพวกนี้อยู่่คนละอารมณ์กันเลยเนี่ยนะเมื่ออยู่คนละอารมณ์เนี่ยนะถามว่าในแต่ละเนี่ยแต่ละอย่างเหล่านี้มีปัญญาประกอบไหมสามารถมีปัญญาประกอบได้ทีนี้ถามว่าปัญญาที่เกิดร่วมกับสิ่งเหล่านี้ทําไมไม่เรียกว่าวิปัสสนาทําไมจึงเรียกว่าศีลเนี่ยนะ เพราะว่าเนื่องด้วยการมนาสิการอารมณ์นั้นนั่นเองเนี่ยนะคือมนาสิการให้เป็นศีลก็ได้มนสิการให้เป็นสมถะก็ได้มนาสิการให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ไอคำว่าขันห้าในที่นี้นะคือไม่ยกคำว่าคนขึ้นมานั่นเองทีจริงก็คือคนนั่นแหละนะแต่เกี่ยวข้องกับคนหนึ่งคนเนี่ยนะจะเป็นศีลก็ได้เป็นสมถะก็ได้เป็น วิปัสสนาก็ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อะไรบอกอยู่ที่คิดเนี่ยนะแล้วแต่ใครจะคิดน้อมไปให้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะยอนีกครั้งหนึง่งถ้าน้อมให้เป็นศีลก็น้อมให้วีรติเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เอาอัถฐะของศีลเนี่ยมาจับแล้วคิดยังไงกับบุคคล น, นี้นั่นเป็นกุศลศีล ทีนี้ถ้าเป็นสมถะล่ะก็ว่าในบุคคลนี้เจริญกรรมฐานอะไรได้บ้างในสี่สิบกองเนี่ยนะตารคแบบนี้เป็นสมถะถ้าปารคแบบวิปัสนาก็เอาวิปัสนาภูมิเนี่ยมาจับคิดยังไงแบบกับวิปัสนาภูมินี้ก็เป็นการเจริญวิปัสนาแต่จริงๆอ่ะก็คือมหากุศลนแปดเหมือนเดิมตัวกุศลไม่ได้เปลี่ยนไปอารมณ์ก็ยังยังคนเดิมเหมือนกันเถอะ จิตก็จิตเดิมๆอ่ะแต่ทำไมจึงเป็นสมถะและวิปัสนาได้อยู่ที่การมณสิการขึ้นถ้ามณสิการเป็นก็เป็นศีลอันไหนนยกตัวอย่างอย่างส ม, มุติขันอันเนี้ยที่สมมุติวหารเรียกว่าพ่อถ้าเราจะเป็นศีลเราจะคิดยังไง กับผู้ที่เรียกว่าเป็นพ่ออันนี้คือคื อ, คอมองในแง่ความเป็นพ่อก็เอามาตาปิตุอุปทานเป็นต้นมามาจับก็คิดตามแนวมงคลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกุศลศีลแต่ถ้าปารลบสมถะก็เช่นยกตัวอย่างพรหมวิหารขึ้นมาอานันเจริญเมตตากรุณาหรือมูทิตาในในบุคคล น, นี้นี่ก็เป็นสมถะแต่บุคคล น, นี้พอแยกประเภทมาแล้วก็คืออะไรขันายตนะธาต อินรีปฏิจจสมุปบาทประมวลสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะได้ไหมอันนั้นก็เป็นเป็นไปกับวิปัสนาภูมิส่วนที่เป็นวิปัสนาภูมิ น, นี้เรียกว่าสัจจานุโลมมิกลยานเนี่ยนาะาถือว่าศีลกับสมถะอยู่ในกรรมสักตาอยู่แล้วตรงนี้ทีนี้ถามว่าเมื่อเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะพอไหมเข้าใจแล้วว่าว่าเป็นอย่างนี้แหละไม่พอเพราะฉะนั้น ตัวทิฏวิสุทธิหรือสัมมาทิฏเนี่ยนะอันเดียวกันมักจึงไม่ได้มีองค์เดียวจึงมีมักที่สองตามมาคือสัมมาสังกัปปะอยู่ว่าเอาสามอย่างนี้มาคิดมากไหมถ้าไม่คิดถึงศีลพยาบาทวิตกเกิดในบุคคลนี้เนะี่ย หรือไม่คิดด้วยอํานาจศีลสมาะสมถาวิปัสนาหรือศีลสมาธิปัญญานะปกติศีลนี้กําจัดโทสะสมาธิกําจัดโลภะปัญญากําจัดโมหะก็เนี่ยไม่คิดสามอย่างนี่แหละในใ น, ในบุคคลหนึ่งเห็นไะหเพราะฉะนั้นก็มาคิดให้เป็นไปกับศีลสมถะและวิปัสนาแต่ที่เรียกว่าสัจจานุโลมิกรยานคือมาคิดในแง่วิปัสนาอย่างเดียวนะ ก็หลักวิ ป, ปัสนาภูมาจับมาในหนึ่งคนนีก็ถ้าเจริญณาอย่างนี้ถามว่าปกตินี้คนเนี่ยอยู่แค่ตรึกสัมมาสังกปะที่เรียกว่าตรึกหรืออีกทั่วๆไปนิยมใช้คําว่าเพ่งอ่ะนะตรึกหรือเพ่งแบบนี้เนี่ยพอไหมก็ยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นใช่ไหมคนที่เจรณา t นี้นะศีลเนี่ยถือว่าดีแล้วพออยู่ในกรรมสกตาที่เหลือก็อยู่ที่สมถะดีไหมว่าวิริยะ พอมเพียงทางกายและจิตนะสติเพียตึกใช่ก็เพียสัมมาวายามะเนี่ยคือเพียนกรรมจัดอกุศลวิตกและเพียง พ, พ่อภูมกุศลวิตกอันนั้นแหละเพี ย, นนะพยรึกเป็นในกุศลคือสมมติว่ามีความเข้าใจว่าอ๋อนะรงครอบบุคคลเนี่ยแยกแยะในแง่วิปัสสนาภูมิจนชัดเจนแล้วถ้าไปคิด ปกติทั่วๆไปก็คิดด้วยอำนาจโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างทีนี้ทำยังไงมาให้คิดเป็นกุศลวิตกแทนเนีย่ยนะทีนี้ใหม่ๆนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายเนีย่ยนะที่จะนึกถึงใครแล้วให้เป็นไปกับศีลสมถาวิปัสนาเนีย่ยนะไม่ง่ายเพราะต้องเพียนขึ้นมาทีนี้เพียนเนี่ยบางอย่างเนี่ยถ้าอยู่อิริยาบถนั่งหลับแน่หรืออิริยาบถนอนหลับแน่ต้องไปเดินเอาแล้วก็คิดเนีย่ยนะก็ไตรไข้ครัครวแล้วก็ตึกอย่างนั้นไปเนีย่ยนะ เสร็จแล้วก็ถ้าตรึกถูกต้องต้องมีตัวนี้เป็นเครื่องวัดผลเนะี่ยตัวนี้เป็นตัววัดผลนะาสงบขึ้นไหมจิตเกิดหมายถึว่าสงบระงับนิวรณ์มากขึ้นไหมยนะอยู่ที่สมาธิเป็นเครื่องวัดผลว่าที่ปฏิบัติถูกหรือผิดแต่ถ้ามาไข ค, ครวนตามนี้แล้วฟุง้งซ่านแสดงว่าต้นตนมาไม่ค่อยดี ก็ยกบุคคลที่ว่าเนี่ยนะเช่นเอาตามสูตรแบบที่เรากําลังเรียนกันอยู่เลยเอาแบบวิปัสนาเลยนะคือหนึ่งอะแยกประเภทว่าไอ้ที่เราเรียกว่าคนหรือเรียกว่าพ่อโดยปรามัดสูงสุดไม่มีอยู่จริงอันนี้นี่ถือว่าชั้นวิปัสนาแล้วนะไม่ใช่ว่าคนนั้นศีลก็ไม่ค่อยดีนะจะเจริญวิปัสนาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปสนใจไม่แม้แอย่างนั้นนะหมายถึงว่ามงคลที่เป็นศีลสมถานี้เขาดีอยู่แล้ว ก็มาแยกว่าเออเนี่ยที่ว่าไปก็ประกอบไปด้วยรูปประกอบด้วยเวทนาประกอบด้วยสัญญาประกอบด้วยสังขารแล้วก็วิญญาณเมื่อแยกแยะ แ, แล้วความเป็นคนในบุคคลนั้นไม่มีเลยมีแต่ขันห้าที่ประชุมกันเนี่ยนะรูปประกอบด้วยอะไรบ้างมหาพูทธสี่และก็รูปที่อาศัย มหาพูดสีเนี่ยนะก็มหาพูดสีก็ปฐวียี่สิบอาโปสิบสองเตโชสีวาโย ο, หกสีก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยขันเหล่านี้เป็นวัตถุและอารมณ์และอุปนิสัยเนี่ย น, นะก็แยกนะก็วิจัยว่ารูปเกิดจากปัจจัยเท่าไหร่เวทนาเช่นอย่างสูตรเมื่อคืนนะ ที่ส่ถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหรจึงมันหยัดว่ารูปคือคำว่ารูปมันปรากฏเพราะอะไรเพราะมหาพูดเพราะมีมหาพูดนั่นแหละจึงเรียกว่ารูปถ้าไม่มีมหาพูดจะเรียกว่ารูปขันได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีภาษะจะเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารขันจะปรากฏจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ปรโยชพูดถึงปัจจัยนะถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณจะเกิดได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าหนึ่งนะมหาภูตรูปมหาภูตรูปจริงๆ จ, จากสมุทฐานสี่นั่นก็ถือว่ารู้แล้วรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรมีข้อแรกมนะเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็ในเดียวกันนี้รอบที่หนึ่ง รอบที่สองเนี่ยรูปก็คูณ11เวทนาก็คูณ11สัญญาก็คูณ11สังขารคูณ11วิญญาณคูณ11บเอ็ดว่าส ร, สรุปว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้เธอพึงเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่านั่นรูปนะทั้งหมดที่ว่าคือรูปก็ตามเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแต่ก่อนที่จะ สิบพูดถึง11 เ, เนี่ยนะจะมีศัพท์ว่าเพราะเหตุนั้นแลจะขึ้นต้นด้วยศัพท์นี้ก่อนเพราะเหตุนั้นแลเหตุนั้นเหตุนั้นคืออะไรเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัาตาของเราอ่ะรูปเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลอะ่ะทั้งหมดนั้นคือรูป ให้ตามเห็นทั้งหมดนั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าเห็นตามนั้นถูกทั้งทั้งหมดนะเห็นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกรอบที่สามเนี่ยต้องเบื่ออันนี้ถูกถ้าเจริญถูกจริงๆต้องเบื่อในขันท่าและคําว่าเบื่อเนี่ยต้องเห็นสิ่งที่มันดีกว่าขันท่าจึงเบื่อขันท่ามีนะธรรมะที่ที่ดีกว่าขันท่า ไม่ใช่ว่าสอนให้เบื่อขันท่าและชีวิตจะได้ระทมทุกข์ใช่ไหมเอ๊ะหาเรื่องเครียดเล่นๆอย่างนั้นน<ๆ>่ะไม่ใช่เพราะว่ามีธรรมะที่สงบเนี่ยนะเพราะถ้าก็นึกถึงว่าถ้าผู้ที่ไม่เบื่อหน่ายในรูปยังติดข้องในรูปสแสวงหาความสุขเป็นต้นจากรูปถ้ารูปเหล่านั้นเปลี่ยนไปเขาทุกข์หรือไม่ถ้ารู้ธรรมะที่สงบระงับจากรูปทั้งหมดเหล่านี้เขาจะเป็นสุขหรือไม่ถ้ารูปเปลี่ยนไป ใจของเขาก็ไม่เปลี่ยนอีกนั่นแหละเขาก็น้อมไปสู่ธรรมะที่ทสงบระงับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อฟังถูกต้องนะเมื่อเบื่อถูกต้องต้องผลก็ามาคือต้องคลายกำหนัดคืออริยมรรคจะต้องเกิดขึ้นมรรคที่ว่าเนี่ยคือมรรคสมังคิยานนะนะมรรคก็จะให้ผลไม่มีระหว่างขั้นนนะอันกิจกรรมที่เหลือถ้ากล่าวนะถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยอํานาจปัญญาทั้งกรรมสักตากับสัจจานุโลมิมกยานที่เหลือก็คือสัมมาสังกัปปะให้มาก สัมมาสังกปะจะมีได้มากหรือน้อยอยู่ที่ความเพียรทีนี้จะเพียรได้มากได้น้อยเนี่ยข้อมูลพอหรือเปล่าสติเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าข้อมูลดีไหมเข้าใจคําสอนพอไหมเนี่ยไงก็ถ้าระลึกอะไรไม่ได้ขันท่าไม่ความรู้ใหม่ดีอะไรไม่ดีก็ขายเต้าหยูย ไม่ก็ไปเป็นขยโมฮะมันไปคอยอุปถากพระว่าท่านขาดอะไรบ้างคอยรับบาทรส่งบาทจีวรนนให้ท่านคือการการการฟังธรรมนี่นะการฟังธรรมจากหลายอาจารย์หลายสำนักเนี่ยบางท่านจับประเด็นไม่จับประเด็นไม่ออกก็เออดีหมดหรือไม่รู้เรื่องหมด มีอยู่สองอย่างนะเออดีหมดเออไม่รู้เรื่องหมดท่านเชื่อไหมในกระดานดํานี้นะพระอาจารย์สอนมาตั้งแต่มาแรกๆแล้วมาแรกๆที่บ้านผู้การธรรมนัตเนี่ยแล้วผมเข้าใจตรงเนี้ว่านี่แนวแนวแน ว, แนวทางการเจริญธรรมะในระดับสูงเนี่ยแนวทางที่ท่านอาจารย์มาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับกระดานวันนี้เนี่ยคือเป็นเป็นไม่ใช่ของอาจารย์หรอกแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเอามาแสดงเนี่ยหลักเนี้ยหลักเนี้ย คือมองอะไรให้เป็นไตรสิขาเนี่ยเนี่ยซึ่งแต่ก่อนที่ผมไปพูดที่ไหนก็คัดค้านทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยเนี่ยเห็นเห็นอย่างเดียวเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างมาเห็นดอกไม้ไม่ค่อยชัดผมว่าผมไม่จะไปเปลี่ยนหม่ยแล้วหนังสือไปเห็นพ่อเนี่ยดีสุดเห็นพ่อเห็นแม่เห็นคนในทีถ้าเห็นดอกไม้ใช่นว่าถ้าเห็นดอกไม้เนี่ยนะผมยกตัวอย่างนะถ้าเห็นดอกไม้แล้วน้อมนึกไปว่าเออนี่นะ ดอกไม้นี่น่าจะไปบูชาพระอะไรอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็นะก็เป็นอะไรก็เป็นมโนสุดจริตละ ว, วจีพูดมาก็วจีสุดจริตหรือชี้เชื้อให้ดูนี่ก็เป็นกายสุดจริตละนี่ถ้าจะน้อมไปในเรื่องสมถะก็ยกตัวอย่างยากขึ้นถ้าน้อมไปในเรื่องวิปัสสนาก็ยกตัวอย่างยากขึ้นแต่ถ้าเห็นพ่อนี่ชัดเจนเลยเพราะว่าพ่อเป็นอุ ป, ปาทินกะสังขารครับ คือมันเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะจะยกตัวอย่างในเรื่องมองและเป็นวิปิสศนาได้ยังไงเนี่ยเห็นรรชัดเลยคือมองมองในเรื่องศีลก่อนก็ชัดใช่ไหมมาตาปิตุปัฏฐานังเนี่ยนะการบำอุปถากบํารุงพ่อแม่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกุศลศีลถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นธรรมดาด้วยนะเพราะว่าในในาศาสนานี้ผู้ที่ไม่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่นี่ก็หวังการตรัสรู้ธรรมนี่ยากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งธรรมะที่ที่แสดงหลายแห่งมากชาดกเนี่ยยกย่องมากเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งมงคลเนี่ยนะมงคลก็ยกมาสองข้อเลยมาตาปิโตอุปัฏฐานังเนี่ยนะก็ก็เป็นมงคลแล้วก็กุโสละศีลอีกถ้าเป็นข้าวของเครื่องชายนั้นถ้าเป็นทางพระวินัยเนี่ยพระพิสูจน์เนี่ยถ้าไม่ใช้ก่อนไม่ฉันเองก่อนเนี่ยนะจะให้คนอื่นเนี่ยท่านป ร, ปรปับอััติ แต่ถ้าให้พ่อเลยไม่เป็นไรให้แม่เลยไม่เป็นไรเช่นั้นเพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้เต็มที่เลยเนี่ยคือเป็นชัดเจนเลยคือเป็นจาริตศีลจารีตศีลเนี่ยนะทีนี<ด>้<ด>ถ้าก เ, กเป็นวารีตนะถ้าไปล่วงละเมิดอะไรจะเกิดขึ้นเช่นถ้าทำปานาติบาตนะอนันตริกรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะถ้ารักของพ่อแม่ก็อธินนาทานก็มีโทษมากเนี่ยนะปัญหาใครไปผิดศีลข้อสามกับพ่อแม่ก็ถือว่าโหเลวทามมากแั้วนะ ทำมูซาพ่อแม่น <bles> <worship> ี่ก็ถือว่าหนักหรือเปล่าเพราะว่าปกติน่าเราจะหลอกกัหลอกพ่อแม่ในเรื่องมากนะแล้วก็ถ <itself> <the> ้า <thought> ถ <stories> ้าการผิดศีลกับพ่อแม่นี่ก็ถือว่าปกติแล้วมีโทษมากเนีะทีนี้เมื่อมีโทษอย่างนี้เข้าก็การวิรัติจึงมีคุณมากการบำรุงเป็นต้นก็มีคุณมากพระองค์ก็สรรเสริญพ่อแม่ว่าเป็นพรของลูกเป็น ผ้ารหารของลูกเป็นบุรพาปุบพาจายนนะจารย์คนแรกของโลูกเป็นต้นในแง่ศีลอยกย่องสรรเสริญมากพอในแง่สมถะล่ะทีนี้เราเจริญยังไงถึงจะมีเมตตากับพ่อเนี่ยนะปกติก็นับว่าเจริญง่ายกว่าเพื่อนนะถ้าเทียบกับคนอื่นใช่ไหมคิดให้เขาท่านมีความสุขนะก็ง่ายถ้าเราจะสงสารคนอื่นนะคนแก่คนอื่นกับเทียบกับพ่อเราเราสงสารใครมากกว่ากันปกติก็สงสารพ่อมากกว่าคนอื่น เนี่ยนะกับคนที่ที่เท่าเท่ากันเดียวกันเนี่ยนะปกติเราก็จะกรุณากับพ่อถ้าคนอื่นได้วัตถุกับพ่อเราได้วัตถุเราจะมุทิตากับใครง่ายกับเพื่อก็จเจริญทั้งเมตตาทั้งกรุณาและมุทิตาได้สบายแต่ถามว่าเมื่อวัตถุที่เรียกว่าพ่อแปรไปนะอะไรจ ะ, ะกับคนอื่นที่ตายนะอะไรจะก่อให้เกิดโศกะมมากกว่กันะนะคนสูงอายุด้วยการเนี่ยเสียชีวิตนะ กับพ่อกับแม่เราเนี่ยใครเราเราจะเสียใจเพราะใครมากกว่ากันก็กับพ่อกับแม่ทีนี้ถ้าเราไม่เจริญวิปัสนาพิจรารณานโดยขันธาตุยตนะเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงไว้ก่อนนะีเดือดร้อนแน่เนี่ยนะก็โทรมนัดเป็นกี่วันดีคุณนะา <c oughs> อยู่บ้านไม่ค่อยได้เลยเพราะงั้นนะโทรมนัดนึกเมื่อไหร่ก็โทมนัดเมื่อนั้นเพราะไม่ได้คิดไว้ก่อนเนี่ยนะเพราะไม่ได้เจริญวิปัสนาไว้ก่อน คือไม่ได้แยกแยะว่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เคยซ้อมไม่เลยว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะรูปคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เคยซ้อมไว้ก่อนแล้วอาศัยวัตถุเหล่านี้ก่อให้เกิดเวทนาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะสัญญาและสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือจิตนั้นอะเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าไม่เคยมาน้อมาฟอกมาพิจารณาทบทวนสลับกับบุคคลอื่นให้หมดเลยนะ เพงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนะมื่อรูปเหล่านั้นเปลี่ยนไปเราก็ปกติจะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตเนี่ยมากเมมากแต่ถ้าเจริญเสร็จนะก็รธรรมดาเดี๋ยวนะก็ธรรมดาว่าเราก็ไม่ได้ไปสำคัญด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิกุศลศีลเราก็ประพฤติดีแล้วตำหนิตัวเองไม่ได้จิตคิดเป็นอกุศลกับท่านเราก็ไม่มี แล้วเราก็รู้ความจริงด้วยว่าขันห้าทั้งหลายเป็นเช่นนี้เองนเนี่ยนะคือขันทั้งหลายที่ปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นจะหาความเที่ยงจากขันเหล่านั้นได้แต่ที่ไหนเพราะอะไรก็ตามที่เกิดจากการประชมปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นต้องต้องแตกทําลายไปเป็นธรรมดานเนี่ยนะก็จร่ได้ก็มันเอามาจร่นเถอะผมขอเพิ่มนิดนะครับคือ มีมีบางท่านที่เรียนจากพระอาจารย์ตุมบัตรแล้วเนี่ยมักจะร่ําร้องว่าเออแล้วเมื่อไรจะปฏิบัติสักทีนะเรียนแต่ปริยัตเนี่ยไม่เห็นมีปฏิบัติสักทีน ะ, ะวั น, นเนี้ยในกระดานเนี้ยถ้าท่านเอาเทปไปฟังใหม่นะครับนี่แหละครับอยู่ในนี้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าแต่ละแต่ละตัวนั้นเนี่ยท่านไปดูนะครับว่าท่านก็ได้สอนมาหมดแล้วเช่นสาจตรานุรมิกรยานเนี่ยหมายความว่าอะไรเนี่ยเราไปหาดูเถอครับนั่นนะ คือปริญญาที่เรียนมาว่านี้คมวลหมดเลยว่าเนี่ยเอามาปฏิบัติยังไงบ้างก็เจ <c oughs> ริญไตรสิกขาให้ให้เป็นพบข้อความหลายแห่งมากในพระไตรปิฎกว่าพระอรหันต์คือผู้ที่บําเพ็ญไตรสิกขาอย่างบริบูรณ์ทีนี้ของเราเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าไม่ไม่ ไ, ม ไ, มได้บําเพ็ญไตรสิกขาเพราะเราคิดถึงใครแล้วเราไม่คิดไตรสิกขาในบุคคลเหล่านั้น น, นะจริงๆแล้วอย่าลืมว่า การเจริญหรือการบําเพ็ญไตรสิกขาเราก็ปรารถนาความสุขใช่ไหมจึงมาเจริญนะแต่ถ้าไม่เจริญแล้ววัตถุที่เราไม่เจริญนั่นแหละจะก่อให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นเนะนั้นก็หาเวลาหาเหตุปัจจัยให้พร้อมแล้วก็มาเจริญเนี่ยไตรสิกขาให้มากๆขึ้นนะนึกถึงคนรอบข้างก็ได้แล้วบําเพ็ญกับเขายังไงให้เป็นไตรสิกขาเนี่ยนะ หรือคนไหนที่เราคิดถึงบ่อยผูกพันมากก็ยกบุคคลนั้นแหละมากล่าวโดยศีล ส, สมาธิและปัญญาเนี่ยนะก็ใคร้ครวนแต่ทีนี้ว่าถามว่ามากขนาดไหนก็มากพอที่จะตัดชันธราคะได้นั่นแหละถ้าตัดชันธราคะไม่ได้ท่านบอกว่าก็ยังติดติดผูกพันกับอารมณ์นั้นเหมือนกับลูกโคอ่ะที่ยังไม่หย่านมอนะ่ะนย มันก็จะร่ำร้องหาแต่แม่ฉันใดเนี่ยนะผู้ที่ผูกพันกับอารมณ์ใดก็จะครุ่นคิดถึงอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็คิดอีกละเดี๋ยวก็คิดอีกละเดี๋ยวก็คิดอีกละถ้ายังตัดฉันทราคะไม่ได้ก็จะลักษณะนั้นทีนี้ถ้าอารมณ์นั้นเปลี่ยนไปอะไรจะเกิดขึ้นเสียใจเป็นอย่างมากะนะนั้นก็โหน้ําตาที่เสียใจนี้พระ อ, องค์บอกว่ามากกว่าน้ํำทะเลมหาสมุทรจะเสียใจไปถึงไหนกันเนี่ย น, นะ ก็กว่าเพราะพ่อตายอย่างเดียวนียเราน้ำตามมากกว่าน้ําทะเลว่า ง, งั้นเถอะแต่ไม่ใช่พ่อคนเดียวนะพ่อในวัดตะอันยาวนานแม่เหมือนกันลูกเหมือนกันหลานเหมือนกันเพื่อนเหมือนกันญาติเหมือนกัน ค, คู่คู่รักครองเรือนอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเราเสียน้ําตามมากกว่าน้ําทะเลมหาสมด์อยู่แล้วในหนึ่งคนเนี่ยนะนก็จะร้องไห้ไปถึงไหนว่ า, า ง, งั้นน่าจะกรุณาตัวเองมั่งแล้วนะน่าจะสงสารตัวเองได้มั่งแลาทําไมประทุษร้ายทางใจตัวเองเหลือเกินว่า ง, งั้น